ตั้งใจฟังไหนนะเพราะว่ามีเสียงแทรกเข้ามาตลอดเวล า, าฟังคำบรรยายของตารมาถ้าไม่รู้เรื่องหรือว่าขาดหายไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะฟังคำบรรยายแล้วอย่าลืมดูใจของตัวเองด้วยเวลาฝนตกเนี่ยมันกระทบกับหลังคาสังกษี แต่ระวังนะอย่าให้มันกระทบใจด้วยให้มันกระทบแต่หลังคาก็พออย่าให้มันกระทบใจเราเพราะถ้ากระทบใจเราก็จะเกิดความไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดยิ่งฟังไม่รู้เรื่องหรือฟังไม่ต่อนเนื่องนะก็จะเกิดโทสะได้ง่าย ให้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็วาง้งพวกเราได้มาเจริญสติที่นี่ได้หลายวันแล้วนะก็คงจะพบด้วยตัวเองว่าในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราหลงมากกว่ารู้เราลืมตัวเราเผลอบ่อยมากกว่าความรู้ตัว ถ้าเห็นอย่างนี้นี่ก็ถือว่าได้ประโยชน์แล้วนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ตระหนักอย่างนี้เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้ตัวความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัวของคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเจือไปด้วยความหลง แต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักแต่พอเราเริ่มกลับมาดูใจของเราในขณะที่ปฏิบัติก็จะเห็นได้เลยว่าใจมันฟุ้งบ่อยมากใจลอยไปอดีตบ้างไหลไปอนาคตบ้าง บางทีก็ไหลไปหาแฟนบางทีก็ไหลไปหาลูกลอยไปหาพ่อลอยไปไหลไปก็จมเลยนะจมอยู่ในความทุกข์จมอยู่ในความเศร้าความเสียใจความคับแค้นความรู้สึกผิดอันที่มันเริ่มต้นมาจากความหลง คนเราเมื่อหลงแล้วเนี่ยนะมันก็เปิดช่องให้ความทุกข์เข้ามาครองใจของเราได้เปิดช่องให้ความโกรธความเศร้าความโศกเข้ามาทิ่มแทงใจของเราเผาล้นจิตใจของเราหลงเมื่อไหร่นี่ก็อันตรายเมื่อน น, นั้นนะมันเหมือนกับนักมวยที่ ปล่อยกาดหรือไม่มีกาดนะเปิดหน้าให้เขาชกเปิดตัวให้เขาชกนะนักมวยเนี่ยปกติเขาก็จะมีกาดมีมือไว้ป้องกันนะไม่ให้ผู้ต่อสู้เนี่ยต่อยหรือทําร้ายได้จริงๆคนเราเนี่ยนะเรามีมือมีขาธรรมชาติให้มาก็เพื่อ ปกป้องตัวเราให้พ้นจากอันตรายเรามีตามีหูเพื่อที่จะรู้เห็นภัยอันตรายที่อยู่ข้างหน้าเวลากินอะไรแล้วมันเป็นโทษเราก็รู้ด้วยลิ้นของเราว่าอาหารชนิดนี้มันเป็นพิษ เวลามีผงอะไรมาเข้าตาขนตาเราก็ไวพอที่จะกระตุ้นให้เรารีบปิดตาเรามีผักสะที่ไวเวลามือไปถูกของแหลมเวลาตัวไปถูกของร้อนเราก็รีบ ชักนิ้วชักมือออกมาจากของแหลมของร้อนนั้นห้ตาหูจมูกลิ้งกายนีย่มันมีไว้เพื่อปกป้องตัวเราให้พ้นจากอันตรายหรือว่าถ้าเกิดอันตรายมาถึงตัวก็มีมือมีเท้าเอาไว้ต่อสู้ถ้าสู้ไม่ไหวก็วิ่งหนี นี่คือเครื่องป้องกันร่างกายของเราให้พ้นจากอันตรายไม่ว่ามันจะมาในรูปไหนแล้วใจเราละ่ะใจเรามีอะไรปกป้องหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใจของตัวเองเนี่ยเปล่าเปลือยนะพวกเราในที่นี่หลายคนใจก็เปล่าเปลือย หรือไม่มีเครื่องป้องกันไม่ให้อันตรายเข้ามาย่ำยีดีทาหรือทำลายจิตใจก็เลยเป็นคนที่ทุกข์ง่ายโกรธง่ายเศร้าง่ายเสียใจง่ายจนกินไม่ได้นอนไม่หลับจนความดันขึ้นจนเจ็บป่วย บางคนเป็นถึงกับเส้นเลือดในสมองแตกนะเพราะความเครียดเครียดกับงานหรือว่าเครียดเพราะว่าพ่อป่วยแม่ป่วยมีคนหนึ่งเนี่ยภรรยาเป็นมะเร็งภรรยาเป็นมะเร็งสามีก็เครียดมากชีวิตนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะภรรยานี้ก็แต่ก่อนก็ดูแลสามี พอภรรยาป่วยนะก็ดูแลสามีไม่ค่อยได้ชีวิตของสามีก็มันก็ลําบากกว่าแต่ก่อนแค่นั้นไม่พีนะนั้นเป็นแค่ความไม่สะดวกสบายทางกายแต่ว่าใจก็เครียดด้วยกลุ่มหมกกลุ่มใจกลุ่มไปกลุ่มมาปรากฏว่าเส้นเลือดในสมองแตกเลยอมาาัมพาต ที่เคยดูแลภรรยาก็กลับกันนะกลายเป็นว่าภรรยานี่ต้องมาดูแลสามีแทนภรรยาก็ป่วยอยู่แล้วนะยังต้องมาดูแลสามีเพราะสามีอัมาตไปแล้วเพราะอะไรเพราะความเครียดนะที่เครียดเพราะอะไรนะเพราะว่าใจไม่มีสติ สตินี่มันเป็นเครื่องป้องกันนะเป็นป้องกันรักษาใจไม่ให้ความเครียดความโกรดความเศร้าความเสียใจมาครอบงาจิตใจอย่างที่บอกไว้แล้วว่าร่างกายเราเนี่ยนะมีมือมีเท้าเอาไว้ป้องกันอันตรายที่มาคุกคามร่างกายส่วนใจเนี่ยธรรมชาติก็ให้สติมา เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาคร่อบงําถ้าใจเราไม่มีสตินะอันตรายนะเรากําลังเปิดช่องว่างให้อันตรายความทุกข์เข้ามาเล่นงานจิตใจได้เหมือนกับ น, นักนกมวยที่ไม่มีการ์ดหรือว่าเปิดหน้าให้เขาชก เราอยากเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะีถึงแม้มีเงินมีทองถึงแม่ร่ํารวยประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ว่าถ้าใจไม่มีสติแล้วนี่ก็อันตรายนะความทุกข์มันครอบงำได้ง่ายๆนั่นที่เราหลงนะเราปฏิบัติธรรมแล้วเราหลงบ่อยเนี่ยมันเป็นเพราะสติเราอ่อนแอสติเราเชื่องช้าไม่ไม่รวดเร็ว หรือว่าไม่ทำงานบางคนสติหลับไหลนะก็เลยทุกข์นะทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะใจที่หลงใจที่ไหลไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างพอเปิดช่องให้ความโกรธเป็นต้นเนี่ยเข้ามาครอบงามแล้วนะมันยิ่งไม่รู้ตัวใหญ่เลยนะคนเราเวลาโกรธเนี่ย ไม่รู้ตัวนะว่าโกรดอ่ะแล้วพอไม่รู้ตัวแล้วนะก็เผลอพูดเผลอด่าเผลอทําอะไรที่มันน่าเกลียดหรือว่าทำร้ายคนอื่นได้ง่ายเสร็จแล้วก็มาเสียใจภายหลังเมื่อรู้ตัวรู้ตัวเหมือนกันนะแต่ว่าสายไป ชาไปเพราะว่าเผลอไปแล้วนะหลายคนก็จะบอกว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะเสร็จแล้วก็โกรดตัวเองโมโ oh หตัวเองว่าทาไมทาอย่างนั้นไปกับลูกทำไมทาเช่นนั้นกับสามีทำไมพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่เพราะอะไรเพราะไม่รู้ตัวแล้วทำไมไม่รู้ตัวก็เ พ, เพราะว่า ตอนนั่นโกรธนะตอน น, นโโตอนนั้นกำลังโมโหตอนนั่นกําลังหงุดหงิดเดี๋ยวเราเราโกรธเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกนะว่าโกรธเนะ่ยบางทีกว่าจะรู้ตัวก็เพราะว่าได้ระบายหรือทำํทำตามความโกรธแล้วหรือไม่เชนั้นก็เพราะมีคนทักนะอาจารย์โน้ตนี่นะท่านเคยเล่าใฟังนะ ฟังแล้วก็น่าสนใจนะถ้าเร า, าตอนเป็นนักศึกษาปี4เทอมสุดท้ายเนี่ยต้องไปฝึกงานตัวท่านเองอยากจะไปฝึกงานกับองค์กรชาวบ้านในภาคอีสานซึ่งมีเยอะแยะแต่ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เห็นด้วยก็อยากให้ท่านเนี่ยไปฝึกงานกับหน่วยงานราชการเช่นกรมประชาสงเคราะห์ ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันสุดท้ายก็ตกลงกันว่างัง้นไปฝึกงานหมู่บ้านชาวเขาที่ภาคเหนือพอถึงวันที่กำหนดนัดหมายรถก็พาไปขึ้นเชียงใหม่แต่บอกว่าพาไปที่กรมประชาสงเคราะห์เชียงใหม่ไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงแกก็โกรธนะ นักศึกษาคนนี้ก็เลยโกรธคืนนั้นนอนไม่หลับนะโมโหไม่พอใจวันรุ่งขึ้นก็โกรธยังโกรธอยู่แล้วก็บังเอิญไม่ใช่บังเอิญก็มีกำหนดนะอาจารย์ที่ปรึกษากคนหนึ่งคนที่สองก็มาเยี่ยมนักศึกษานักศึกษาก็เลยตอว่าอาจารย์นะ ก็ระบายอารมณ์นะนะได้วความไม่พอใจก็ไม่ได้ถึงกับใช้ถ้อยคำรุนแรงอะไรนะแต่ว่าแสดงความไม่พอใจให้อาจารย์เห็นอาจารย์ก็ดีนะ้าจาย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรถึงจนหนึ่งอาจารย์ก็พูดกับนักศึกษาว่าสุทธิศาสตร์ตอนนี้คิวเธอเนี่ยมันขดเป็นโบเลยนะ คิวเธอเนี่ยมันขดเป็นโบเลยนะพอได้ยินเช่นนี้นะักศึกษานี่ได้สติเลยนะรู้ตัวเลยว่าโอ้เรากำลังโกรธไอตอนนั้นไม่รู้ว่าโกรธนะพออาจารย์พังนี่รู้เลยแล้วพอรู้ว่าโกรธนะความโกรธมันหายไปเลยนะความโกรธมันหายไปเลยไอที่โกรธข้ามคืน โกรธเต็นวันเนี่ยพอมีสติปุ้มนี่นะความโกรธหายเลยก็ทําให้อัศจรรย์เลยนะว่าโอ้สติมันดีอย่างนี้เองนะไม่ต้องไปกดคมความโกรธแค่รู้ว่าโกรธเท่านั้นแหละมันดับไปเลยแต่ว่าก็ทําให้เห็นเลยนะว่า คนเรานี่เวลาโกรธเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกนะไม่รู้ตัวใจมันเนี่ยเอาแต่จะทาตามความโกรธอยากจะพูดอยากจะว่าแล้วเวลาคนโกรธคนเศร้านี่เขาไม่รู้ตัวหรอกนะเพราะว่าเขาหลงเขาลืมตัวแล้วพอลืมตัวแล้วนะเพราะความโกรธข่มงา ้องทีสามารถจะทำอะไรที่เลวร้ายอย่างนึกไม่ถึงได้ถ้าไม่มีคนเตือนไม่มีคนพักนะก็อาจจะเผลอทำในสิ่งที่ต้องมาเสียใจายภายหลังก็มีกรณีหนึ่งน ะ, ะเป็นเรื่องของผู้ปกครองไปรับลูกโรงเรียนดังแห่งหนึ่งที่กรุงเทพ โรงเรียนนี้นี่ผู้ปกครองรวยๆทั้งนั้นยังก่อนเย็นเนี่ยก็มีรถมารับเยอะแยะเกิดอะไรขึ้นรถก็ติดสิรถจอดเป็นแถวนะเพื่อที่จะเข้าไปในโรงเรียนรับลูกโรงเรียนก็มีกติกามีระเบียวว่าให้รถเนี่ยไปทางเดียวเข้าทางหนึง่งออกอีกประตูหนึง่ง รถเข้าเนี่ยมันมากกว่ารถออกรถก็เลยจอดกันเป็นเป็นแถวยาวผู้ปกครองคนหนึ่งเนี่ยหัวใสนะหัวใสก็ไม่เข้าทางประตูเข้าอ่นนะไปเข้าทางประตูออกพอเข้าทางประตูออกนี่รถก็แล่นชิวเลยนะไปถึงที่จอดรถได้ที่จอดรถทันทีเลย บังเอิญมันเหลือแค่ที่จอดรถอันเดียวรถคันที่มาตามกฎก็เลยอดไปถูกแย่งตัดหน้ารถคันที่ถูกตัดหน้านี่เจ้าของเขาไม่พอใจว่ารถอีกคันหนึ่งเขาทำผิดกติกาก็เลยลงมาต่อว่า ลงมาต่อว่าเจ้าของรถที่ที่แย่งที่จอดรถเข้าไปบังเอิญผู้ปกครองที่ถูกต่อว่านี่ไม่ใช่คนธรรมดาเนะเป็นนายทหารอาจจะยศนายผารื้อนศนายลไม่เคยมีใครต่อว่าพอถูกต่อว่าก็โกรธ ก็เลยย้อนไปว่าคุณรู้ไหมผมเป็นใครนะหรืออาจจะพูดอันนี้อาจจะพูดสุภาพไปนนะอาจจะพูดอีกอย่างก็ได้ว่าแกรู้ไหมว่าอวัวเป็นใครพูดประความคนนี้ก็บอก ว, ว่าผมไม่สนใจหรอกคุณเป็นใครแต่ว่าคุณทำผิดกฎโรงเรียนอย่างนี้ไม่ถูกต้องพูดจบก็อันหลังกลับเดินไปที่รถ นายทหารคนนั้นโกรธมากนะไม่เคยมีใครมาต่อว่าบังเอิญก็มีปืนอยู่ในรถก็หยิบปืนแล้วก็ลงจากรถเดินตามผู้ปกครองคนนั้นไปเพื่อจะยิงให้หายแค้นผู้ปกครองคนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้นะไม่รู้ตัวว่ามี ว่ากำลังมีคนจะมายิงก็บังเอิญมีพนักงานขับรถของโรงเรียนอยู่ในเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์ก็เลยคิดว่าเฉยไม่ได้แล้วต้องเข้าไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งปกติพลเมืองดีเวลาเข้าไปแทรก ก็ไปขวางเนี่ยอาจจะตายได้ไง่ายๆนะที่ตายเพรเข้าไปแทรกเข้าไปขวางนี่ก็มีเยอะและ้วพอเป็นพลเมืองดีแต่ว่าไปผิดจังหวะแต่ว่าพนัก ง, งานขับรถคนนี้แกเป็นคนที่มีเชาวมีปฏิภาณมีไหวพริบแกก็รู้จังหวะนะเราก็รู้วิธีพูด ก็เดินเข้าไปหานายทหารคนนั้นเอามือแตะที่แขนแล้วก็พูดอย่างสุภาพว่าท่านครับท่านมารับลูกไม่ใช่หรือครับพอนายทหารนี่ได้ยินแค่นี้แหละสติกลับมาเลยนะไอ้ที่ลืมตัวนี่จะไปยินเเขาเนี่ยความสึกตัวมาแทนเลยพอรู้ตัวนี่ทำงาน เลิกเลยนะเลิกไปเดินตามเลิกเดินตามผู้ปกครองคนนั้นเลยหันกลับไปที่รถเอาปืนไปเก็บไอตอนที่โกรธเนี่ยไม่รู้ตัวนะใจมันคิดอย่างเดียวจะไปยิงให้ตายไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมานี่เรียกว่าหลงนะนี่เรียกว่าไม่รู้ตัว แต่พอสติพอได้สติเนี่ยนะไอความโกรธหายเลยนะความโกรธมันดับวูบไปเลยเลิกเลยนะไอความคิดหรือความตั้งใจที่จะไปยิงเขาอันนี้พ่ออะไรพ่อมีคนทักแล้วก็รู้จักทักด้วยคือเตือนหรือทักให้นึกถึงลูกพอนึกถึงลูกขึ้นมานี่ ไอ้ความคิดชั่วความคิดที่จะไปยิงเขามันหายไปเลยอันเนี้ยแล้วเราเห็นไหมว่าไอ้ความสติเนี่ยมันมันมีอนุภาพมากเลยมันมีพลังมากเพียงแค่รู้ว่าโกรธเท่านั้นแหละมันสามารถจะดึงจิตให้หลุดจากความโกรธได้ไม่ต้องไปกดข่มความโกรธไม่ต้องไปห้ามความโกรธแค่รู้เฉยเฉยเนี่ยมันช่วยได้เยอะ แต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะจะมีสติก็เพราะมีคนมาเตือนมาทักแต่ถ้าเราจะรอคอยให้คนมาเตือนมาทักเพื่อให้สติกลับมานี่ก็าอาจจะช้าเกินไปไม่ต่างจากการยืมจมูกคนหายใจเราต้องรู้จักมีสติของเราเองนะมีสติที่พร้อมจะทำงานตลอดเวลา ไม่ใช่ไปรอให้คนมาทักไม่ใช่ไปรอเพื่อนทักหรือรอครูทักอย่างนี้นี่อาจจะสายเกินการในที่เรามาจเจริญสตินี่ก็เพื่อให้เรามีสติเป็นของเราเองเป็นสติที่ทำงานได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาทักมาทวงสติอย่างนี้มันต้องไวนะต้องพร้อมที่จะทำงานโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเวยนะมันทา ง, งานของมันเอง เหมือนกับเวลามือเราโดนเข็มโดนน้ำเนี่ยเราชักมือออกมาโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้สั่งมันทำงานของมันเองใช่ไหมอัตโนมัติเลยนะมือเราถูกถูกเข็มถูกน้าแลมเนี่ยสมองไม่ต้องสั่งนะนิ้วมันชักออกมาเลยมือชักออกมาเลยสติถ้าฝึกดีๆมันทำงานของมันอย่างนั้นแหละนะ ือทำงานเองอัตโนมัติทำงานอย่างนั้นได้ไงเพราะว่าการฝึกเนี่ยที่เรามาปฏิบัตินี่ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะด้เราก็คงจะเห็นว่าไอ้การทำงานของสติเราเนี่ยอาจจะยังงุ่มงามอยู่ยังช้าอยู่คิดไปหลายเรื่องหลายราวแล้วถึงค่อยรู้ตัวคิดไปเจแปดเรื่องแล้วถึงค่อยรู้ตัวว่าเผลอไป นะแต่ว่าก็ธรรมดานะถ้าเราทำ บ, บ่อยๆทำ บ, บ่อยๆมันก็จะรู้ตัวได้ไวขึ้นไม่ต้องสั่งมันทำงานเองเป็นอัตโนมัตนะิแต่ว่าต้องเกิดจากการที่ฝึก บ, บ่อยๆทำ บ, บ่อยๆใช้ บ, บ่อยๆและถ้าเรามีสติแบบนี้เนี่ยก็เหมือนก็ว่าใจเราเนี่ยมีมีเครื่องป้องกัน แต่ว่าอาจจะไม่ได้ป้องกันตลอดเวลานะเพราะว่าเราเราก็มักจะหลงอยู่บ่อยๆไอตอนหลงนี่ก็เปิดช่องเป็นช่องว่างให้อันตรายเข้ามาแต่ก็ยังไม่สายนะพราโกรธไปแล้วเนี่ยโมโหไปแล้วนีย่ยังมีโอกาสที่จะรู้ทันนะมีโอกาสที่จะรู้ทันแล้วก็วางมันลงได้แต่ถ้าสติเราดีนะมันจะ ป้องกันไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยคือเวลาหูได้ยินเสียงตาเห็นลูกแต่ก่อนนี่ก็โมโ oh, หแต่ก่อนนี่ก็หงุดหงิดไม่พอใจเมื่อได้ยินคำตำหนิคำตีฉินนินทาเขาพูดปับก็โมโหเขาพูดปุ๊บ ก, ก็โมโหปับเลยพูดปุ๊บโมโ oh, หปับเล ย, oh, เลยนะ อันนี้เรียกว่าเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่มีเครื่องป้องกันความโกรธก็พุ่งเข้ามาได้เทันทีแต่ต่อไปนี่พอเราฝึกส ต, ติดีดดตากระทบโลกหูได้ินเสียงใจก็ไม่กระเพื่อมนะใจมันเป็นปกติได้เพราะว่ามีความรู้ตัวมีสติตแต่ถ้าเกิดว่าเผลอเปิดช่องให้ความโกรธเข้ามาก็ยังไม่สายนะที่ส ต, ติจะรู้ทัน แล้วก็ถอนเจตออกมาจากความโกรธหรือว่าเปิดให้ความโกรธมันดับหายไปความเศร้าวความเสียใจความรู้สึกอื่นก็เช่นเดียวกันให้เราลองศึกษาดูนะเอาละคำนี้ก็พูดกันเท่านี้แหละกลาภาพพร้อมกัน